ก่อนที่จะออกซีดีแผ่นที่หนึ่งแต่ก่อนหลวงพ่อเองก็ไม่เคยคิดว่าจะออกซีดีออกเทปออกทั้งสือแต่เมื่อปี2548นักศึกษาแพทย์มหิดลเข้ามาบวชคือก่อนหน้านี้เขาก็ขอมาบวชที่วัดหลวงพ่อหลวงพ่อกคิดว่าขนาดชั้นปัญญาชนนักศึกษาแพทย์เข้ามาบวชคงจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ถ้าว่าได้นำหลักของพระพุทธศาสนาเข้าสู่จิตใจเพราะจะเป็นทรัพยากรของชาติเพราะปัญญาของท่านเหล่านั้นก็ยอดเยี่ยมอยู่แล้วกว่าที่จะได้สอบข้อเป็นแพทย์ได้แล้วก็แพทย์ระดับประเทศอีกก็ไม่ใช่หัวธรรมดาแต่ว่าไอคิวสูงเหล่านั้นเถอะไอคิวสูงมากจติตปัญญาเสียบแหลมสามารถที่จะสอบข้อแพทย์ของศิริราชได้ พอนั้นท่า น, นแสดงความจำนงอยากจะมาบวชที่วัดหลวงพ่อหลวงพ่อหรืออ้าวลับจากนั้นก็ได้บวชเป็นเวลา20กว่าวันสาอาทิตกว่าวันนั้นบวชนักศึกษาแพทย์ทั้งหมดมีอยู่สิอแพทย์จากนั้นผู้ติดตามอีกรวมแล้วเป็น14วันนั้นพอบวชเขามาแล้วหลวงพ่อก็คิดว่าการอบรมสั่งสอนนักศึกษาแพทย์เนี่ยเราจะเจวันจึงอบรมครั้งหนึ่ง ก็เพียงสามวันท่านเองแต่ตอนเช้าหลวงพ่อพูดกับพูดให้เป็นภาพรวมทั้งหมดทั้งพี่น้องประชาชนญาติโยมจะเน้นหนักลงถึงจุดหลักธรรมวินัยหรือแนวความคิดที่จะเข้าสู่จิตใจของผู้ที่เข้ามาศึกษาก็คงจะไม่ได้ในรายละเอียดเพราะนั้นตั้งแต่เข้ามาเป็นนาค7วันซะก่อนจากนั้นก็บวชเข้ามาอีก20กว่าวันหลวงพ่อเริ่มอบรมตั้งแต่สมัยเป็นนาค พอเป็นนาคเสร็จพอบวชเสร็จลงพ่อก็อบรมทุกวันเทยนี่ตอนเช้าก็ได้พูดอย่างนี้แหละอย่างวันเนี้พูดตอนเช้าอบรมพอตกตอนเย็นมาก็อบรมอีกครั้งหนึ่งคือทําความเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบวินัยและแนวความคิดเนตหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านสอนให้คิดอย่างไรโลกมีแต่คิดไปข้างหน้าคิดเรื่องต่างๆแต่ทำของพระพุทธเจ้าให้คิดย้อนกลับมาหาตัวเองใครเป็นคนคิด หลวงพ่อเปรียบเทียบก็เหมือนเราฉายไฟฉายพอเปิดไฟฉายปับ๊บมันจะส่องไปข้างหน้าก็จะเห็นต้นไม้ภูเขาสัตว์สาลายสิงสิ่งต่างๆที่ไฟฉายส่องไปเจากนั้นเราก็พยายามวิ่งตามที่ไฟฉายมันไปเดินไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นมากถ้ามีความหลงอยู่ในใจก็ยิ่งหลงมากยิ่งรักมากยิ่งโกรธมากสิ่งไม่พอใจก็โกรธมากถ้ายิ่งสิ่งที่จะหลงก็หลงมาก ถ้ายิงสิ่งที่จะรักรักมากพอไปเห็นตามที่กระแสไฟที่มันส่องไปแต่หลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้มองย้อนเข้ามาหาหัวใจหรือหาตัวใจหาหัวเทียนไฟฉายไฟนั้นมันออกไปจากไหนมันส่องออกไปน้นมันเข้ามาหาตัวใจเข้ามาหาตัวหัวเทียนจากนั้นก็เรื่องทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากหัวเทียนไฟฉายถ้าอยากจะดับหรืออยากจะรู้รู้รอบ ก็ต้องหันเข้ามาดูข้างในคือใจจากนั้นก็ดับไฟดูที่ใจแก้ที่ใจปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจเนะี่ยอันนี้คือหลักของพระพุทธศาสนาที่หลวงพ่ออบรมนักศึกษาแพทย์ในแผนที่หนึ่งว่างั้นเถอะจากนั้นก็หลวงพ่อก็ได้อบรมในศีลธรรมจริยธรรมในการเป็นอยู่ของนักศึกษาแล้วก็แนวความคิดของหลักพระพุทธศาสนา สรุปแล้วก็คือทั้งคดีโลกและคดีธรรมคดีโลกควรจะทำตัวอย่างไรในเมื่อเราจะเป็นผู้ใหญ่ต่อไปภายภาคหน้าเราจะเป็นผู้รักษาพยาบาลคนทั่วโลกเราควรทำตัวอย่างไรและทางด้านจิตใจเราควรคิดอย่างไรแต่หลวงพ่อก็เน้นหนักว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกอันนี้คือให้ฟังเอาไว้จากนั้นหลวงพ่อก็ได้อบรมเป็นเวลายี่สิบวัน ตอนี้พูดทั้งเช้าทั้งเย็นก็22ครั้งเป็น40กว่าแต่ทอนี้ก็ามาดูและเอามาอัดได้20กว่ากันนะในซีดีม้วนที่หนึ่งนี่แหละความเป็นมาจากนั้นพวกพระเมื่อท่านได้ฟังแล้วท่านก็บอกเออหลวงพ่อซีดีของหลวงพ่อที่อบรมนักศึกษาแพทย์นี่ฟังดูแล้วมีสาระมีประโยชน์แก่ผู้ได้ยินได้ฟังเพราะนั้นพวกผมอยากจะเอาออกเป็นซีดี เพื่อจะให้ผู้คนได้ฟังหลวงพ่อจะขัดข้องไหมอันนี้ก็คือความคิดของพระในวัดของหลวงพ่อหลวงพ่อก็เออถ้าอยากจะ อ, ออกกระยาให้กระทบกระเทือนบางคำบางสิ่งอาจจะมีบ้างเพราะว่าการพูดเนี่ยเราก็ไม่ได้อ่านตามตัวหนังสือเราก็พูดตามนแนวความคิดที่ออกมาในเมื่อออกมาอย่างไรเราก็พูดอย่างนั้น วันนั้นอาจจะมีการกระทบกระเทือนแต่ว่าการออกไปอย่าให้กระทบกระเทือนผู้หนึ่งผู้ใดให้กลั่นกรองให้ดีซะก่อนอสมควรจะออกอยังไงทีนี้พระท่านก็ได้อัดเรียบร้อยจากนั้นมาให้หลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้ฟังดูแล้วเออเมื่อทุกคนได้ฟังซีดีแผ่นนี้แล้วคงจะมีความรู้สึกหรือคงจะรู้เรื่องของพระพุทธศาสนาไม่มากก็ น, น้อย ในเมื่อรู้เรื่องของพระพุทธศาสนาคือปลูกศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วก็จะมาพิจารณาตัวเองว่าเราควรจะทําตนอย่างไรในเมื่อเราเกิดมาแล้วต่อชุมชนสังคมประเทศชาติต่อบิดามารดาต่อผู้เกี่ยวข้องต่อทุกคนอันนี้ถ้าพวกเราได้ฟังซีดีม้วนที่หนึ่งจบลงไปแล้วหลวงพ่อว่าคงจะเปลี่ยนความรู้สึกทางจิตใจไม่มากก็น้อยคงจะได้รับความรู้ ในหลักของพุทธศาสนาความรู้ในทางปรัชญารู้ทั้งคดีโลกและคดีธรรมรู้ทั้งการเป็นอยู่รูปรธรรมพอจะรู้แนวทางทางนามธรรมแนวความคิดที่พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์เน้นหนักเน้นหนาเป็นยังไงเพราะนั้นแผ่นซีดีแผ่นที่หนึ่งหลวงพ่อว่าคงจะเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อยแต่ในความรู้สึกหลวงพ่อว่าถ้าฟังดีๆนะฟังด้วยความสงบ ฟังด้วยความตั้งใจอย่าไปฟังแต่สักว่าฟังเหมือนหมอร้องหมอลำอย่าไปเปิดทิ้งไว้ให้ซีดีพูดไปเรื่อยตัวเองก็ทําอะไรกุกกักกักออไม่ได้ตั้งใจฟังถ้าฟังอย่างนั้นอย่าฟังดีกว่าออพอฟังจบลงแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพลย์เพลยังประมาทอีกพระพูดอะไรก็ไม่รู้เออพราะตัวเองไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ตั้งใจไม่ได้สนใจที่จะฟังก็เลยผ่านตนําหนิแผ่นซีดีแผ่นเทปไปอีก เป็นบาปอกุศลเข้าสู่จิตใจของผู้ฟังไปอีกไม่เกิดประโยชน์แล้งจังเกิดโทษแก่ผู้ฟังอีกพ่อฟังไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจฟังเพราะนั้นซีดีม้วนที่หนึ่งของหลวงพ่อที่ออกไปนะหลวงพ่อว่าท่าว่าตั้งใจฟังแล้วจะเกิดประโยชน์แก่ผู้ฟัง ส, สุสังลัสเตปัญญงผู้ฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาเนี่ยนะเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้สั่งสมบุญกุศลไว้อย่าประมาท ชีวิตของพวกเราอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านเตือนมาอยู่เสมออย่าตั้งอยู่ในความประมาทชีวิตของพวกเราไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่รู้จะอยู่ยังไงไปยังไงเหตุไม่เรื่องราวโลกต่างๆมีแต่เรื่องการเบียดเบียนมีแต่เรื่องเอารัดเอาเปรียบกันมีแต่เรื่องสังหารกันมีแต่เรื่องผูกพยาบาทอาฆาตจองเวีนต่อกันโลกนี้มันน่าเบือ่อพระพุทธเจ้า พระราหัสาวกของพระพุทธเจ้าท่านมองดูแล้วไม่น่าอยู่น่าเบื่อหน่ายเพราะนั้นพวกเราจะทํำยังไงเบื่อก็เบื่ออยู่แต่ว่ามันไปไม่ได้จะทํำยังไงนีพระพุทธเจ้าชี้ช่องบอกทา ง, อางวิธีการที่จะไม่ให้มาเกิดทําอย่างไรอันนี้พวกเราควรจะศึกษานะในเมื่อศึกษาแล้วก็นํามาประพุทิปฏิบัติปรปับปรุงกายวาจาใจของเราจากนั้นก็เนี่ยไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสาร เห็นโลกว่าตาสงสารกันบ่ายๆแบบนั้นแต่ยอมแพ้แล้วข้าจะไม่อยู่อีกแล้วสู่เจ้าให้จกตากันอยู่ในโลกใบนี้ไม่มีที่สิ้นสุดมีแต่อรัดออบเปียกมีแต่ข้ามีแต่ฟันกันเห็นกันมีแต่ทิฏฐิมานะเห็นกันก็หญิงเคี่ยวหญิงฟันเสียกันไม่มีเมตตาต่อกันโลกทั้งโลกจะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขได้อย่างไงถ้าโลกมีแต่หญิงเคี่ยวเสียกันเหมือนกับหมาเห็นหมาอย่างนั้นทั้งที โลกใบนี้กว้างต่อกว้างต่างตัวต่างอยู่ซะต่างตัวต่างหากินก็ได้แต่นี่ไม่เป็นอย่างนั้นห่างขนาดไหนก็เดินเสียดก็ห้ากันหญิงเคี้ยวอยู่อย่างนั้นเน่ยเพื่อจะกัดกันพอเหตุไรเพราะทิฏฐิคือความเห็นมานะคือความแข็งกระด้างมันอยู่ในจิตในใจของสัตว์ทุกประเภทมนุษย์ก็เหมือนกันถ้าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างธรรมาหาเลี้ยงชีพต่างคนต่างทำมาค้าขายต่างคนต่างเสาะแสวงหาทรัพย์ รับสมบัติอยู่ในโลกนี้มีต่างมากมายมหาศาลหาอะไรก็ไม่รู้จักจบจากสิน้นคนโ บ, ร, บราณเขาก็หามาแล้วล้มหายตายจากไม่รู้กีก่ครั้งกี่หนกี่คนมาแล้วมาถึงยุคของเราเราก็หากันก็ไม่มีที่สิ้นสุดต่างคนก็ต่างมีอยู่มีกินกันทั้งนั้นแต่ว่าทําไมพวกเราจึงมาเบียดเบียนกันจึงมาทําลายกันจึงมาฆ่ากันถ้าไม่ใช่กิเลสคือความโง่ความโลภความโกรธความหลงแล้วตัวกิเลสแล้วจะเป็นตัวอะไร พระพุทธเจ้าเนี่ยโตโมหะคือความลุ่มหลงมัวเมาเนี่ยถ้าหากว่าตัวเองอยากจะอยู่อยากน้อยก็อยากจะให้กลุ่มตัวเองเป็นใหญ่กว่าเพื่อนทั้งหมดฆ่าคนอื่นทิ้งทั้งหมดให้กลุ่มตัวเองถ้ามันตายหมดทั้งโลกตัวเองอยู่คนเดียวอยู่ไม่ได้ได้ปะนะ่ะอถ้าตัวเองอยู่คนเดียวจะอยู่ได้ยังไงดูสิอยู่ที่ไหนก็เดินไปงกงิงนิงนเงนิเงนิงนเงนิงนเเอาไปมาก็ผูกคอตัวเองตายเท่านั้เลยโดดกระตึกโดดเหวตายอะ โดดหน้าผาตายขึ้นต้นไม้กระโดดตายเพราะไม่มีหมู่มีเพื่อนถ้ามีหมู่มีเพื่อนมีมากขึ้นมาดีไหมดีแต่ทุกคนก็ให้มีคุณธรรมมีศีลธรรมมีจริยธรรมในจิตใจอย่าเบียดเบียนซึ่งกันและกันไปที่ไหนมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขยิ้มแย้มแจ่มใสคนหนึ่งทําถ น, นนให้เดินคนหนึ่งทําบ้านให้อยู่คนหนึ่งทำไร่ทํานา ม, มาให้กินคนหนึ่งกับขายอะไรรถจนคนหนึ่งกับขายรถจนให้นั่ง คนหนึ่งก็ไปกีดยางคนหนึ่งก็ไปทไําไร่ข้อโพดต่างคนก็ต่างทําอย่างหลวงพ่อก็มีหน้าที่สอนพวกลูกพวกหลานให้รู้จักศีลรู้จักธรรมให้รู้จักการดํารงชีวิตให้รู้จักแนวความคิดว่าควรจะคิดอย่างไรพวกเราอย่าไปคิดเปบียดเบียนกันหน้าอย่างนี้เป็นตน้นคือมีหน้าที่ของใครของเราแต่ละคนโลกใบนี้ก็หน้าอยู่นะแต่ถ้าว่าพวกเราคิดเห็นกันมีแต่พกปืนพกมีดจะฆ่ากันอยู่อย่างนั้น หลวงพ่อว่าโลกนี้เป็นมิขสัญญีหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้โลกวันนี้จะร่มเย็นเป็นสุขได้เหรอถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะต้องคิดถึงใครจะชั่วแสนชั่วยจงไงก็ตามนะข้าพระเจ้าจะเป็นคนดีคนหนึ่งข้าพระเจ้าจะไม่คิดเบียดเบียนผู้อื่นข้าพระเจ้าจะส่อแสวงหาทรัพย์เลี้ยงชีวิตของเราเพื่ อ, อยังชีพให้เป็นไป อีกไม่นานข้าพเจ้าก็จะลาสู่เจ้าไปแล้วข้าพเจ้าจะตายแล้วเอ อ, อีกไม่นานสู่เจ้าจะอยู่ช่วฟ้าดินสลายใครจะคิดอย่างนั้นก็คิดไปแต่ไม่มีใครที่จะอยู่อย่างนั้นช่วฟ้าดินสลายหรอก 70-80 ปีก็ต่างคนก็ต่างไปของใครของเราแล้วเราจะมาเบียดเบียนอะไรกันมากมายนักหนาเราจะคิดโลรโกธหลงอะไรมากมายนักหนาเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีก็ควรจะหันหน้าเข้าหากันเอาคุณงามความดีมาใส่กัน โลกของเราจะร่มเย็นเป็นสุขถ้าทุกคนคิดอย่างนั้นน ะ, ะวันนี้ก็หลวงพ่อได้ให้แนวความคิดเริ่มต้นตั้งแต่แผ่นซีดีของหลวงพอ่อแต่นั้นกัการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ชาติสรุปแล้วตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกน ะ, อ, ะอันนี้หลวงพ่อพูดวไว้พระพุทธเจ้าท่านยืนยันอย่างนั้นสิ่งที่ไปให้เกิดก็คือใจคือวิญญาณคือผู้รูนตัวนามธรรมานะั่นพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆ พอนั้นให้สั่งสมบุญเข้าสู่จิตใจดวงนั้นจิตใจดวงนั้นมีบุญมีกุศลละไปในสถานที่ใดก็สงบพร้อมเย็นเป็นสุขทั้งนั้นแหละนะตอนนี้ไปรับพร อ, อนุโมทนาให้พรยะถาวาริวหาปุราปริปูเร